รายการเสียงธรรมต่อไปนี้ขอเสนอเรื่องทศพลยานจากผลงานเขียนของอาจารย์พรรตนาสุวรรณห น, นังสือเรื่องนี้กล่าวถึงยานที่เป็นกําลังสำคัญในการสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าทศพลยานซึ่งอาจา ร, ร, รย์พรเชี่ยวเห็นว่าจากการศึกษาในเรื่องทศพลยานนี้ จะทำให้ได้เห็นแนวทางที่จะนำมาสอนธรรมะรวมทั้งการอบรมฝึกฝนในทางสมาธิและวิปัสสนาให้ได้ผลจ ร, จริงๆได้เป็นอย่างดีเรื่องทศพลยานทศพลยานแปลว่ายานที่เป็นกำลังในการสอนของพระพุทธเจ้า การที่พระพุทธเจ้าทรงสามารถสอนเวนอยศัสตว์ได้ผลทุกครั้งก็เพราะพระองค์ทรงมีโทศพลยานซึ่งมีทั้งหมดสิบหัวข้อดังต่อไปนี้คือ 1. ฐานาฐานายานปรีชากำหนดรู้ฐานะและอฐาถานา 2. อวิปากยานปรีชากำหนดรู้ผลแห่งกรรม สสัพพะทคามินีปฏิปทาญานปรีชากำหนดรู้ทางไปสู่ภูมิทั้งปวง 4. นานาธาตุญาณปรีชากำหนดรู้ทาตต่างๆ 5. นานาธิมุติกญาณปรีชากำหนดรู้อธิมุติเพื่อทายาสัยของสัตว์ทั้งหลายอันเป็นต่างๆกัน 6. อินทริยะประโรปริยัตยานปรีชากำหนดรู้ความหย่อนและยิ่งแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลาย 7. ชานาที่สังกิเลสาธิยานปรีชากำหนดรู้อาการมีความเศร้าหมองเป็นต้นแห่งธรรมมีชาญเป็นต้น 8. ปุปเพนิวาสานุสติยานปรีชากำหนดระลึกชาติผลหลังได้ 9. จุตูปปาตายานปรีชากำหนดรู้จุดิิลเลุบัติของสัตว์ทั้งหลายผู้เป็นต่างๆกันโดยกรรม 10. อาสวะคขย า, ยานปรีชารู้จักธรรมอาสวะให้สิน้นยานทั้งสิบข้อนี้ก็คือหลักการสอนของพระพุทธเจ้ายานข้อที่หนึ่งคือฐานาฐานายาน ปรีชากำหนดรู้ฐานะและอาฐานะหมายความว่าเป็นญาณที่รู้ถึงฐานะคือสิ่งที่เป็นไปได้และอาฐานะคือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ข้อ น, นี้หมายความว่าพระองค์จะสอนใครพระองค์จะต้องรู้ก่อนว่าเรื่องที่จะสอนนั้นเขาอยู่ในฐานะที่จะเข้าใจได้หรือไม่ จาไปปฏิบัติได้หรือไม่เขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริง